ที่พระ อ, องค์บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคือจากไม่มีแล้วอะสังขารก็มีขึ้นใช่ไหมเมื่อมีขึ้นในที่สุดสังขารทั้งหลายก็แตกทําลายไปถ้ารูปประคันไม่ต่างอะไรจากพวกฟองน้ําเนี่ยนะเหมือนกับฟองน้ําแล้วก็ทีนี้รูปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความทําลายเป็นที่สุดถามว่ามันดํารงอยู่ด้วยความสุขหรือความทุกข์ตลอดชีวิตที่ดํารงอยู่เนี่ยนะ สมมติเกิดมาชั่วชีวิตร้อยปีเนี่ยนะสบายกับทุกอันไหนมากกว่ากันใจนะหัวเราะกับร้องให้เครียดกับเครียดกับเสียใจหรือว่าดีใจยิ้มตลอดวันไหนมากกว่ากันจะเห็นว่าทุกเนี่ยมากกว่านะภาระในการบริหารขันเนี่ยเป็นต้นเนี่ยมากกว่าเพราะถ้าว่าไปแล้วว่าตรงๆก็บอกคู่ควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในขันห้าน้อมไปที่จะเบื่อหน่ายบ่อยๆนะเรียกว่าอาศัยตะทางข้าววิเวก อาศัยการพิจารณาน้อมไปเพื่อให้วิปัสสนาเกิดในดีกาวิสุทธิมักกล่าวถึงว่าตีรณปริญญาเนี่ยเป็นอนุมานเป็นอนุมานญาณเป็นญาณที่เกิดจากการอนุมานเข้าไปไข้ครวรเข้าไปพิจารณาเนี่ยนะไม่ใช่ต้องรอให้เป็นอย่างนั้นก่อนเนี่ยนะมรณธรรมโตเนี่ยต้องรอให้เป็นอย่างนั้นก่อนใแล้วค่อยพิจารณาไม่ใช่แน่นอนน่ะนะถ้าเจริญปริญญาตัวนี้ผู้กลางแย่แน่ รอให้มรณะก่อนแล้วค่อยทำตริญญาเนี่ยนะมันก็รีบทำเอาไว้ก่อนองนั้นอันนั้นทวย้อนมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าพอน้าสิเป็นคำชมเชยพระสารีบุตรและชมเชยคำพีปฏิสัมพิธามัชเนี่ยนะว่าบรรดาพระมหาเถระผู้พุทธชิโนรสมีจำนวนเป็นอนันต์อนันต์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากหาประมาณนี้ได้ พระมหาธีระองค์ใดเป็นประดุจดังพระมุนีผู้เลิศในหมู่สัตว์ทั้งปวงไอคำว่าประดุจดังพระมุนีเนี่ยแปลว่าคล้ายๆพระพุทธเจ้าอันนั้นภาษารีบุตรเนี่ยท่านเป็นลูกที่ที่ประเสริฐกว่าลูกทั้งหมดเนี่ยนะเพราะท่านเป็นประดุจพระพุทธเจ้าถามว่าเหมือนพระพุทธเจ้าในด้านใดก็คือเป็นผู้กระทำตามลีลา คือตามแบบอย่างแห่งพระศาสดาในการบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่ชุมนุมชนด้วยคุณกล่าวคือกรุณาและปัญญายานันถ้าจะกล่าวไปแล้วนะั้นในบรรดาผู้ที่สอนมากแสดงธรรมมากรองจากพระพุทธเจ้าก็คือภาษาริบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถือว่าเป็นผู้เลิศในบรรดาสาวกทั้งหมดนี่นะเรียกว่าเป็นสาวกรูปที่หนึ่งที่เราเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเยี่ยงคล้ายๆพระพุทธเจ้านะแต่ก็ไม่เหมือนหรอก ก็เหมือนอะไรอูเอาไฟที่ไหนมานะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์นะจะมีไฟที่ไหนสว่างเหมือนดวงอาทิตย์มั่งแต่ว่าเปรียบนะว่าสว่างมากจริงๆภาษาลีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากจริงๆถ้าเรียนปฏิสัมพิธามากแล้วจะรู้ว่าภาษารีบุตรท่านมี ป, ปัญญามากเนียนะบางสูตรก็บอกว่าน้ําน้ําเนี่ยนะที่ตกลงมาเนี่ยตลอดเดือนตลอดปีเนี่ยนะตกในห้องจักรวาลทั้งหมดเนี่ยภาษารีบุตรคํานวณได้หมดอะ คำนวณ น, น้ำคำนวณฝนคำนวณอะไรได้หมดเลยมั้งนั่นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็น้อยกว่าปัญญาของท่านปัญญาของท่านเนี่ยมีหาปรับเรียกว่าร้องจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองท่านท่านเป็นผู้ที่มีใจเสียสละสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชุมชนทั้งหลายด้วยคุณของท่านคือกรุณากับปัญญาถ้านนนเนี่ยร้องอ่าเขาบอกว่าเสียใจมากเลยนะตอนที่ภาษาลิบุตรปรินิพพาน พระพุทธเจ้าก็ถามว่าพระภาษาลิบุตรผ่านนลตอนภาษาลิบุตรปริญิพานใหม่ๆนะผ่านนลท่านเสียใจมากเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามว่าพระษาลิบุตรเอาศีลปริญิพานไปด้วยหรือเปล่าเอาสมาธิเอาปัญญาเอาคุณธรรมปริญิพานไปด้วยไหมกระ บ, บอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพระเจ้าค่ะเอาแล้วทาไมเสียใจอ่ะเพราะภาษาริบุตรเป็นผู้อนุเคราะห์เนี่ยนะอนุเคราะห์กัลยาณมิตรทั้งหลายท่านเป็นผู้สอนไม่รู้จักเบื่อจากนายเนี่ยนะ คืรื่กาสอนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นเป็นเหมือนแม่ไนงะเหมือนแม่เป็นเหมือนแม่จริงๆคือสอนจนกว่าเขาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันนไนะอบรมแนะนําท่ามสอนลูกศิษย์ท่านเนี่อย่างท่า ม, ามหาโคติตะเนี่ยท่านสอนนียท่านสอนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่าอีกตั้งหลายรูปนะท่ารูปหนึ่งที่ท่านมีเสียงไทเราะที่สุดนะตัวเล็กๆอะ่ะเห็นไหนั่นก็เป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็ลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงมากเป็นลูกศิษย์ของท่าน ผ่านุรุธธาที่บรรลุก็เพราะคําแนะนําของท่านยัางละบางสูตรเนี่ยท่านแสดงแล้วบรรลุหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะคับผู้ที่บําเพ็ญคุณประโยชน์รองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองท่านเป็นผู้ที่มีกรุณามากนะถ้าไม่มีกรุณาจริงๆแล้วจะไม่ไม่สอนเนี่ยนะผู้ที่สอนผู้อื่นนะเวน้นกลุ่มที่ปรารถนาลามกซะอันนะเว้นไว้แต่ เ, เรียกว่าปรารถนาลามกก็คือปรารถนาลาภสการะเป็นต้นเนี่ย เว้นเอากลุ่มเหล่านี้ออกไปซะผู้ที่ทำด้วยพฤติกรรมเหมือนกันแต่ไม่หวังการตอบแทนเลยอ่ะพวกนี้เรียกว่าผู้ที่มีการุณาหวังเปลื้องคนอื่นออกจากทุกเนี่ยนะเพราะคำว่าการุณาเนี่ยแปลว่าทนไม่ได้ต่อทุกของผู้อื่นเนี่ยนะต้องการประสงค์ที่จะปลดเปลื้องทุกของเขาออกไปแต่ว่าคนที่มีการุณาเนี่ยนะปัญญานี่จำเป็นมาก ไปเห็นคนเขาโดดตึกตายเงียนะเราเห็นเขาเลือดท่วมเลยมีเมตตามากก็เลยไปอุ้มส่งหมอดีไหมดีไหมดีหรือไม่ดีเขาบอกว่าคนส่วนหนึ่งที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นโรคเอตสเนี่ยนะไปช่วยแล้วก็ติดเลือดมาเนี่ยเราจะโทษใครคือคือกรุณาอย่างเดียวเนี่ยแก้ปัญหาได้ไม่หมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผู้ที่กรุณาอย่างเดียวเนี่ยแก้ปัญหาได้ไม่หมดหรอกจะต้องอาศัย ปัญญาเนี่ยนะปัญญานี่จะทําให้ไม่มีเขบอกว่าแต่ถ้าปัญญามากอย่างเดียวนะโกงถ้ากรุณามากอย่างเดียวอคติเนี่ยนะแต่ถ้าสองอย่างพอดีกันสมำเสมอกันเป็นเรื่องดีเนี่ยนะถ้าได้คู่กันนะดีแต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเนี่ยนะเสียหายแล้วนะกรุณามากเกินไปนะกรุณาลูกคนนี้จับจิตจับใจวมันใครมาตีลูกคนนี้นะ่ะมันผิดหมดอะ าา ก, ก็เอียงไปใช่ไหยแต่ถ้าปัญญา ม, มากเกินไปก็ขาดการุณาก็จะขาดเมตตาเอาแต่เครียกว่าคนในโลกนี้เนี่ยคนฉลาดมากหรือคนโง่มากเห็นไหมขอบโกยผลประโยชน์จากคนอื่นเนี่ยเป็นไปได้ไหยก็เป็นไปได้ถ้าขาดการุณาเป็นต้นเ น, นี่ยนะทีต่อไปว่าข้าพเจ้าขอนามสการพระเถระนั้นผู้มีนามว่าสารีบุตรผู้มุนีราชบุตร ผู้ยินดียิ่งในเสติรคุณเป็นอเนกผู้รื่งเรืองด้วยแสงสว่างคือปัญญาเนี่ยมีเกียรติงามฟุ้งขจรไใจและมีจริยวัดสงบงามคําว่าผู้ยินดียิ่งในเสติรคุณเป็นอเนกสติรักคุณเนี่ ย, ย, ยแปลว่าคุณที่มั่นคงเนี่ยนะท่านยินดียิ่งในคุณที่มั่นคงคุณที่มั่นคงก็คือท่านเป็นผู้ที่มีศีลที่มั่นคงเนี่ยนะสมาธิที่มั่นค ง, นนคงปัญญาที่มั่นคงเป็นต้นเนี่นะ ผู้ที่ยินดีในธรรมะที่มีความมั่นคงคือเศรคุณคือศีลเป็นต้นนั่นเองเนรรี่ยนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่างแห่งคือปัญญาเนี่ยนะท่านท่านเป็นผู้มีปัญญามากมีความมีความสุขจากปัญญาว่างั้นมีเกียรติงามฟุ้งขจรไปก็แปลว่าชื่อเสียงของท่านเนี่ยกว้างขวางมาก อนาถาบินทิกะเศรษฐีเนี่ยนะท่านศรัทธาพระสาวกทั้งหมดเนี่ยศรัทธาพระสารีบุตรมากกว่าเพื่อนนี่ยนะศรัทธาพระสารีบุตรเนี่ยมากกว่ากว่าพระเถระองค์อื่นพระสารีบุตรเนี่ยนะเป็นเป็นพระที่พระมหากัสสปะยังเคารพเลยอ่ะเคารพยังเกรงพระสารีบุตรมากเน่ยนะจริงๆแล้วพระมหากัสสปะเนี่ยท่านเป็นพระที่ที่ยังไงเป็นพระที่สงบเป็นพระที่สมควรแบบพูดแบบไทยๆเราก็บอกน่ากลัวงั้นอ่ะ คือน้าหน้ า, นากลัวด้วยหน้าเคารพหน้ายำเกรงสารพัดอยู่ในนั้นทั้งหมดนะเพราะท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากอ่ะมีเดชมากแล้วพูดน้อยอ่ะคนทั้งหลายก็จะทั้งเกรงทั้งกลัวทั้งหวัน่นภาษาพระมหากสปะยังเคารพยำเกรงภาษาลิบุตรมากชมภาษาริบุตรมา ก, มามากอัน น, นก็ดูในกัสปะเทระคาถ า, านเนี่ยนะจะเห็นนะแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยนะเป็นผู้ที่ชมภาษาริบุตรกันซะส่วนใหญ่พระพระัฒมดาภาษาวกทั้งหลาย อัานพาะท่านเป็นผู้ที่เป็นที่เคารพของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอันมากปกติแล้วคนที่มีผู้ที่เคารพยำเกรงมากเนี่ยนะจริยาวัดบางทีก็ไม่ค่อยดีนะเนี่ยแต่ว่าภาษาริบุตรไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคือกลับเป็นผู้ที่มีความสงบมีคุณธรรมที่ที่น่าเคารพน่าสักการะ น, นะที่ผ่านมานี่เป็นคำชมภาษาดิบุตร ทีนี้ต่อไปเนี่ยชมพระปริยัติธรรมเนี่นะเป็นคำนอบชมเชยสรรเสริญยกย่องปริยัติธรรมว่าวิสิทธปาฐะวิสิทธ์ก็คือวิเศษอะนะคําปาฐะก็คือคําสอนนี่ยคำสอนที่วิเศษคือพระบาลีอันใดอันทศสาวกผู้สัตยธรรมเสนาบดีผู้ประกาศพระสัตยธรรมจักผู้เข้าถึงความแจ่มแจ้งในอัตตามความเป็นจริงในพระสู่ทั้งหลายที่พระธถาคตเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้ว ผู้นำในการยังธรรมะประทีมให้โชดช่วงกล่าววิสิทธปาธะนั้นไว้แล้วโดยนามอันวิเศษว่าปฏิสัมพิทานังมัคโคแปลว่าทางแห่งปฏิสัมพิทาทั้งหลายเนี่ยนะรคัมพีปฏิสัมพิทาเป็นคำพีที่ภาษารียบด์เป็นผู้เรียบเรียงขึ้นเนี่ยนะเรียบเรียงขึ้นแสดงขึ้นประกาศพระสัตธรรมสัตธรรมตัวนั้นเป็นชื่อของพระสัตธ ร, รมสิทธะนะก็อริยาบัาง ปริยัติศาสตรธรรมปฏิเวศศาสตรธรรมเนี่ยนะปริยัติศาสตรธรรมก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงประกาศเนี่ยนะส่วนปฏิเวศศสตรธรรมก็คือมัคสีผลสีและพระนิพพานภาษาดีบุตรเนี่ยประกาศพระปริยัติศาสตรธรรมเพื่อยกย่องโลกุตระสัรธรรมนั่นเองยกย่องข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงโลกุต ร, ระเป็นการเอาธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในะที่ต่างๆเนี่ยนะมารวบรวมอีกครั้งหนึ่งปฏิสัมพิธาเนี่ยเป็นคำพี์ที่เรียบเรียงเอาคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในสถานที่ต่างๆมาเรียบเรียงเพื่อเป็นแนวทางแห่งผู้มีปัญญาเราะนั้นคำว่ามัจเนี่ยนะแปลว่าทางปฏิสัมพิธานี้เป็นชื่อของปัญญาหรือจะแปลว่าทางแห่งปัญญาก็ได้เนี่ย เพราะว่าคําว่าปฏิสัมพิทานังเนี่ยนะคำว่าปฏิสัมพิทาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญานะงั้นคําว่าคำภีปฏิสัมพิทาก็คือคำภีที่ชี้ทางให้เกิดปัญญาเนี่ยนะคมภีที่แนะนําให้เกิดสติปัญญาปฏิสัมพิธามักนั้นเป็นประกรณ์ประกรก็คือคำพีอันละเมียดละไมด้วยอัถฐและนยะต่างๆอย่างวิจิตเห็นไหมถ้าโดยอัฏฐอะไรอัถฐก็คือตามอะไร อัฏฐะเนี่ยโดยทั่วไปก็คือเป็นการประกาศธรรมะเนี่ยนะคือความหมายที่คำพีนี้กล่าวถึงเนี่ยเป็นความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเนี่ยนะแล้วก็วิจิตพิสดารมากนัยยะต่างๆนัยยะก็ถ้าเปรียบเทียบตามนันทิยาวัตนยัยสีหาวิกีลิตนานเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าเป็นคำพีที่สแสดงให้หมุนโดยรอบเห็นเหมือนกันเพรา ะ, ะนบัอันบัณฑิตผู้มุ่งบำเพ็ญอั อัตถะประโยชน์คือประโยชน์ตนและโลกาถะประโยชน์ประโยชน์แก่ชาวโลกมีปัญญาลึกซึ้งจะพึงอย่างรู้ได้ในกาละทุกเมื่อและสาธุชนทั้งหลายพึงซ่องเสพอยู่เป็นนิดคัมพีร์นี้นะโดยเนื้อหาเนี่ยมีมีความละเอียดความลึกซึ้งเป็นอย่างมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นปรารถนาประโยชน์ตนก็ทําไงประโยชน์ตนก็คือเพื่อปฏิบัติแล้วยกตนออกจาก วัตะ น, นะคําบมาตนในที่นี้แปลว่าไม่ใช่คนอื่นนะนะไม่ใช่ไปมีอัตตาพิเศษที่ไหนหรอกแต่หมายถึงภายในตัวเนี้ยยกตัวเองให้ออกจากวัตะได้จริงๆหรือถ้าสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นถ้าสงสารคนอื่นถ้าจะแนะนําคนอื่นก็เนี่ยเรียนปฏิสัมพิธาคือกรุณาอย่างเดียวเนี่ยนะไปเที่ยวสอนคนอื่นโดยที่เราไม่มีความรู้ดีไหมไม่ดีแน่นะพราะนนี้ก็เหมือนกันท่านถ้าผู้ที่ประสงค์จะอนุเคราะห์คนอื่น สงสารคนอื่นจะแนะนำคนอื่นก็ศึกษาปฏิสัมพิธานี้ต่อไปก็เป็นคำพูดที่กล่าวถึงวิธีการเรียบเรียงคำพีของพระมหานามะว่าข้าพเจ้าจะพรรณนาเนื้อความที่ไม่ซ้ำกันไปตามลำดับคือขยายทุกๆคำนะแต่ว่าจะคำไหนเคยอธิบายแล้วตอนหลังจะไม่อธิบายอีกเพราะฉะนั้นถือว่าเอาการอธิบายครั้งแรกๆเป็นเกณฑ์ วิธีอธิบายท่านก็บอกว่าไม่ก้าวล่วงสุตะและยุติแห่งปฏิสามพิธามรักษ์ปกรณ์นั้นคือหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคำพีรที่อธิบายปฏิสามพิธามรักแต่ว่ามีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปเนี่ยนะท่านก็มาเรียบเรียงมาจัดให้เป็นหมวดเป็นหมู่อนนะจะไม่ละแนวทางเหล่านั้นอะ่ะเขาบอกว่าคำอธิบายนั้นน่ะนํามาซึ่งประเภทแห่งยานอันพระโยคาวาจรทั้งหลายเป็นอนเนกซ่องเสพแล้วโดยไม่เหลือ คิดดูนะใครที่เอาปฏิสัมพิธามมรคมาตรึกได้ทั้งหมดเนี่ยนะคิดดูจะมีปัญญาขนาดไหนนะถ้าจําได้แล้วมาไขครควนอยู่อย่างนั้นอนะ่ะมีผู้ที่เขาทําได้นะแต่ไม่ใช่ตมมากรับแล้วกันคือเขาสามารถไปพิจารณามีความสุขกับการพิจารณาคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยนะก็นับว่าเก่งมากนะของเราอ่านเนี่ยก็ถ้าไม่ต้องกินยาแก้ปวดบ้างก็นับว่าดีมากแล้วก็ ที่จริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาบอกว่าถ้อยคําที่พูดเรื่องศีลเนี่ยนะคนไม่มีศีลชอบไหมไม่ชอบถ้อยคําพรรณนาเรื่องสมาธินี่นะคนฟุ้งชอบไหมไม่ชอบถ้อยคําพรรณนาเรื่องศรัทธานี่นะนะสมมติว่าพระพุทธเจ้าดีเหลือเกินไปพูดให้คนไม่มีศรัทธาฟังเนี่ยดีไหมไม่ดีก็เหมือนกันถ้อยคําที่นํามาซึ่งปัญญาเหมือนกันไปพูดผิดที่นี่แย่มือนกันนั้น ผู้ที่ไม่มีปัญญานี้ก็ไม่ค่อยชอบฟังนะสังเกตดูนะว่าเราชอบไฝ่ปัญญาหรือไม่ก็สังเกตจากเนี่ยคำพีนเนี่ยปราบเรียนเลยนะ mm hmm. คือคำว่าพวกที่แบบอะไรขวดฉลาดทั้งหลายแล้วเนี่ยนะ mm hmm. โอ้ใหม่ๆนี่รู้เยอะมากเลยนะ mm hmm. ว่าไปว่าไปก็ง่วงไปเรื่อยง่วงไปเรื่อยะจะรู้ว่าอ้าวไม่จริงเลยมั้ง